แล้วก็ผู้ที่เจริญสกาทาคามีมรุกก็เว้นขาดจากกรามส่วนหยาบโดยเด็ดขาดเนี่ยนะกิเลสกรามที่ไปผิดศีลผิดธรรมเป็นต้นเนี่ยไม่มี น, นะถ้าเป็นสมมติกิเลสมีร้อเปอร์็นตะตัณหามีร้อยเอร์เซ็นตเนี่ยพสกาทาคามีตัดไปได้ห้าสเปอร์นตะถ้าโทสะร้อยเปอร์เซ็ต์น ะ, ะสกาทาคามีตัดไปถึงห้าสิบเปอร์เซนต์นะรับพั น, นพสกาทาคามีนี่ก็ตัดกรามอย่างหยาบออกไป ถ้าพระนาคามีนี่ก็ตัดกามอย่างละเอียดออกไปเนี่ยกิเลสกรรมอย่างละเอียดโทสะตัดได้เด็ดขาดหมดเลยผู้ที่เจริญอรหัตตมรรคก็เว้นขาดจากกามได้โดยอาการทั้งปวงโดยประการทั้งปวงเนี่ยนีอรหัตตมรรคนี้มีคุณยิ่งใหญ่มากละาบาปละอกุศลละวัตถุกรรมละกิเลสกรรมทุกอย่างได้โดยสิ้นเชิง เขาบอกว่าผู้ใดเว้นขาดจากกามทั้งหลายสรุปนะการเว้นขาดก็คือเว้นขาดด้วยวิปัสนาเนี่ยนะที่เรณา11อย่างเนี่ยนะเว้นขาดด้วยสมถะพิจารณา18อย่างเนี่ยนะแล้วก็ด้วยอริยมรรคสรุปว่าเว้นขาดจากกามด้วยสมถะวิปัสนาและมรรคเนี่ยนะ <c oughs> ทีนี้ที่เปรียบเทียบอุปมานะว่าถามว่าจะต้องเว้นขาดจากกามเนี่ยเหมือนอะไร เหมือนเว้นขาดจากหัวงูด้วยเท้าทัวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่จะเว้นขาดออกจากกามจริงๆต่อเมื่อ น, นิมินิพานเป็นอารมณ์เพราะนิพานไม่ใช่วัตถุ ก, กามถ้าจะออกจากวัตถุ ก, กามได้จริงต่อเมื่อมีนิพานที่สงบประงับจากกามทั้งปวงเป็นอารมณ์เห็นไนี่ถามว่าเราจะต้องหลีกออกจากวัตถุกามเหมือนอะไรเหมือนเว้นขาดจากหัวงูด้วยเท้า งูนี่เขาบอกว่าเรียกว่าสับปะเนี่ยนะเสือกไปเรียกว่าสัปะขนดไปวิธีเดินทางของงูนะเสือกไปขนดไปไปด้วยอกมีหัวตกไปมันไม่ชูหัวนะเวลามันวิ่งอะ่ะมันจะมันจะเอาหัวก้มลงเนี่ยนะแล้วมันจะวิ่งไปมันไม่ได้ชูหัวนะมันไปด้วยอกมีหัวตกไปปันนักฆ่าเาียกว่านอนนอนด้วยหัวกันะหัวนี่วางผ้าแล้วก็หลับนอนอยู่ในรู นอนอยู่ในถ้ามีเขี้ยวเป็นอาวุธเนี่ยนะจ ะ, จะสู้กับคนอื่นเนี่ยอาศัยเขี้ยวนี่แหละถอนเขี้ยวไปแล้วหมดสภาพเลยนะ ง, งูเนี่ยแล้วก็มีพิษร้ายแรงมีลิ้นสองแฉกเนี่ยนะผ่าลิ้นเป็นสองสี้อกันะเช่นเลียคมมีดเลียน้ํำผึ้งในใบมีดโกนนะเลียแผลบก็ไปเนี่ยลิ้นสองแฉกเลยนะจนะลิมรสด้วยลิ้นสองแฉกจึงเรียกว่าทิระสันยูนะโดยทั่วไปก็เรียกว่าสับ ป, ปะ ผู้ชาอุร่าฆาปันฆาเซริสปะวิลาสยะคูหาสยะโคราวิสะาท่าทาวุฒเนี่ยนะทุชิวหาธีระสัญญาในเพื่อชื่อของงูนะที่เป็นภาษาบาลีถ้าเป็นแปลเป็นไทยๆก็คือเสือไปขนดไปไปด้วยอกมีหัวตกไปนอนอยู่ด้วยหัวนอนอยู่ในรูนอนอยู่ในถ้ำมีเขี้ยวเป็นอาวุธมีพิษร้ายแรงมีลินสองแฉกรูรสอาหารด้วยลินสองแฉกเนี่ย เพื่อผู้ใดใคร่ต่อชีวิตไม่อยากตายอยากให้เป็นสุขเกลียดทุกพึงเวน้นหลบหลีกอ้อมหนีหัวงูด้วยเท้าฉันใดบุคคลผู้รักสุขเกลียดทุกพึงเวน้นหลีกหลบอ้อมหนีกามทั้งหลายฉันนั้นนะถ้าอยากถ้าตดปรารถนาจะมีความสุขอย่างแท้จริงให้หลีกจากกามเถื่อนนะถ้าไม่หลีกจากกามเ น, นี่ทุกขแน่เนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวว่ามีวัตถุใดมั่งที่ไม่นําความทุกขมาให้เลยเนี่ยมีไหม ถ้าสิ่งนั้นหน้าปรารถนาเท่าไหร่สิ่งนั้นจะนำความทุกมาให้อย่างมหาศาลเนี่ยนะมันผู้ที่ปรารถนาจะพ้นจากทุกก็ต้องหลีกออกจากวัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้โดยเด็ดขาดและก็โดยประการทั้งปวง น, นะเหมือนกับหนีหรืออ้อมหนีงูเนี่ยนะก็ให้หนีให้ให้ใหน้าเห็นความเป็นหน้าเกลียดหน้ากลัวเหมือนกับหัวงูทั้งนั้นนะนะกิเลสกรม ผู้นั้นน่ะเป็นผู้มีสติย่อมล่วงพ้นตันหาอันชื่อว่าวิสติกาในโลกนี้เสียได้นนี้ตันหาเรียกว่าวิสติกาแปล ว, ว่าความปรารถนานะตันหาเนี่ยเรียกว่าวิสติกาก็ได้แก่อะไรบ้างความกำหนัดความกำหนัดกล้าความพอใจความชอบใจเนี่ยนะกำหนัดกำหนัดกล้าพอใจชอบใจเนี่ยนะ ติดหนับไปเลยนะความเพลดิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลดิดเพลินแล้วก็ความกำหนัดกล้าแห่งจิตเนี่ยนะจิตเนี่ยเป็นยังไงมันกำหนัดนะครัว่ากำหนัดมันคล้องอะ่ะมันติดมันคล้องมันความปรารถนาความหลงความติดใจความยินดีความยินดีทั่วเนี่ยนะปรารถนาต้องการใช่ไหมติดใจอ่ะอันนั้นอร่อยมากเดี๋ยวไปล้างเอาใหมา่เน่นะลักษณะเนี่ยติดใจนะอยากได้แล้วอยากได้อีกดูแล้วดูอีก ดูดมแล้วดมอีกกินแล้วกินอีกอ่ะพวกนี้เรียกว่าความติดใจความยินดีความยินดีทั่วเนี่ยนะความคล้องคล้องเนี่ยก็คืออะไรมันเกี่ยวไว้นะั้นไปไม่ได้อ่ะติดหนับอยู่นั่นแหละถึงจะไปได้ไกลหน่อยเนะี่ยมันก็ตกกลับคืนนะใช่ไหมถ้ามันคล้องนะมันเหมือนอย่างหนังยืดเนี่ยนะเมืเม่อเรามีบ้านเนะี่ยบ้านมันดึงเราไว้กันนะไปไปเถอะคุณจะไปตอะนไหนมันก็ตกกลับคืนนะโถกริ้งเข้ามาเนี่ยพร้อมจะกลับได้ทันทีเลยเหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันติดมันคลองขนาดนั้นอนะ่ะลองเขากระตุกคืนเถอะเนี่ยนะแล้วก็ความติดพันความสแสวงหา น, นะสแสวงหารักษาไปความลวงเนี่ยนะหลอกหมดนะเนะยไอ้ที่รักมันก็ยหาะมันก็หลอกไอ้ที่เหาะมันก็ลวงมันมันแสนหนักหน่วงคอยเป็นห่วงเป็นยายนะห่วงมากเลยนะก็อะไรบ้างที่เราไม่ห่วงอ่ะดูเถอะ อย่างเช่นมีชีวิตก็ห่วงชีวิตมากเลย้ยรักตัวกลัวตายเนี่ยก ล, ก, กลัวตัวมันจะลําบากกลัวตัวจะเดือดร้อนเนี่ยนะมันก็ห่วงมากเลยหรือตัวเนี่ยชนิกาคือตัวนําเกิดนะทําให้สัตว์เกิดเนะี่ยถ้าไม่มีมันนะแต่ตัณหาตัวนีนะ้มันไม่เกิดรอกเนี่ยนะนะความให้สัตว์เนี่ยเกี่ยวไว้กับทุกข์นะข้องไว้กับทุกข์ไม่ให้ออกจากทุกข์อะ่ะมันเกี่ยวไว้อย่างนั้นแนหะความเย็บเอาไว้เนะี่ย เย็บอะไรเย็บจุติให้ต่อไว้กับปฏิสนธิเย็บกรรมให้เชื่อมไว้กับผลของกรรมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับตาข่ายชาลีนีเนี่ยนะดักเอาไว้เนี่ยนะไปที่ไหนสมมติว่าถ้าเราทั้งหลายเหมือนกับปลาใช่ไหมตันหาเหมือนตาข่ายวิ่งไปตรงไหนก็ชนหมดเลยนะมันดักไว้หมดนะนะแผ่ไข่เอาถามเมื่อในโลกเนี่ยเรามัางอะไรที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะเว้นรกซะเว้นอสุรกาซะแต่ถ้าว่าเป็นสมบัติทั่วๆไปในโลกนะนั่นนะน้อยมากอะ แค่เสังเกตว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะคิดพูดถึงสิ่งนั้นปั๊บอ่ะคิดได้ต่อเนื่องไหมรับกีฬาวนะเนี่ยนะนั่นนะสังเกตว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบเนี so far, قط, ismus, ่ยนะก็ดูละเพราะนพวกนี้เหมือนกระตาข่ายเหมือนกับกระแสน้ําเนี่ยนะมันไหลไหลไปเรื่อยนะตันหากระแสน้ํานี่ยเช่นน้ําตกไหลจากภูเขาไปนะมันไม่ค่อยว่างเว้นจากการไหลใช่ไหมตันหามันก็ไหลไปในทวาวรหกเหมือนกันไหลไปทวาวรตาบ้างไหลวาวรหูบัางไม่ค่อยพร่องหรอกใช่ไหม ไม่ค่อยพร่องอะ่ะมันไม่ทว้านหนึ่งก็ทวานหนึ่งมันไลลไปเรื่อยอย่างนี้แหละแล้วก็ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆซ่านไปในรูปบ้างซ่านไปในเสียงบัางซ่านไปเรื่อยนะมันแผ่กระจายเหมือนรัศมีอะ่ะแต่มันกระแสซส่านตันหามันซ่านออกแล้วก็ความเหมือนดังว่าเส้นได้เนี่ยนะมันมัดเอาไว้กับสิ่งนั้นอ่ะนะความกระจายไปความให้อายุเสื่อมก็คือเพราะมันตัวพาเกิดพาตายอะ่ะ ความเป็นเพื่อนนะมันกระซิบนะเราเชื่อฟังอยู่เจ้าเดียวอ่ะเชื่อฟังตันหาถ้าตันหามันบอกเอาเอาตันหาบอกอย่านะมันก็บอกว่าอย่ามันเชื่อมากอ่ะนะเพื่อนสนิทคบกันมานานเนี่ยนะเชื่อกันว่าเนาะเราว่านอนสอนง่ายหมดอ่ะเขาแนะนําอะไรเชื่อมันหมดอ่ะทำนองสายหัวเลยไม่เชื่อไปดูเฮ้อเนี่ยน่ะอ๋อไม่เชื่อนะเชื่อฟังมันทุกอย่างไงแต่ว่ามันเลวมากเชื่อฟังมันหมดอ่ะนะ แต่เนี่ยตอนที่เพื่อนมันบอกนะเราห้ามไปใครห้ามไปขัดคอเด็ดขาดนะตอนที่เพื่อนกําลังเกลี้ยกล่อมเรานะบอกเออทำอันนั้นนะอันนี้อร่อยมากนะถ้าใครไปบอกมันไม่อร่อยนะเราจะเถียงเลยว่าเราเชื่อเพื่อนมากกว่าใน ต, ตอนนี้ไม่ช่อยเชื่อเพื่อนเนี่นะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนะอืมตัณหาแกนําเกิดนะไอ้สิ่งที่เกินไม่ดีรอกไง น, นนะแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าโดยมากนะเชื่อเพื่อนมากกว่า ก็คิดดูว ja, like so e ันหนึ only, like o, ่งเราคิด so ถึงพระพุทธเจ้ากี so ่ทีล่ะก็เท่ากับเท่านั้นแหละเราเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าน้อยนะก็เชื่อเพื่อนมากแต่คิดถึงพระพุทธเจ้ามากก็เชื่อเพื่อนน้อยเนี่ยนะก็ดูเอาวันหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งเห็นต้นไม้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยไหมล่ะถ้าไม่เห็นก็เชื่อเพื่อนแล้วตอนทานอาหารเห็นพระพุทธเจ้าไหมเน่ยเมื่อเช้าก็บอกว่าอะไรเนี่ยเหมือนหมอพิพินว่าไงเนี่าปุตตะมังสสูตรใช่ไหมเหมือนเนี่ย กินเนื้อบุตรกันนะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นเชื่อพระพุทธเจ้านะหลังจากนั้นก็เชื่อเพื่อนต่อนะเพื่อนมันบอกเข้าเนึ่งนะถ้าอุ่นๆเนี่ยจะดีมากแว่านั้นต่อไปน้ตันหาเนี่ยมันทําไม่ตั้งมั่นนะมันไม่ค่อยอยากเคลื่อนไปไหนหรอกมันอยู่นั่นแหละติดหนับเลยแหละมันแล้วก็เครื่องนําไปสู่ภพเ่ยนะเพื่อเนี่ยที่มาเกิดทั้งหลายแหละเนี่ยให้รู้ว่าเป็นผลของตันหาทั้งนั้นแหละอ๋อมานี่ที่มาเนี่ก็เพราะผลของตันหานั่นนะมันมีตันหาไม่ได้มาเกิดอย่างงี้หรอก พันสัตว์ทั้งหลายที่เห็นเ น, นะตันหาพาเกิดนะทั้งนั้นเน่ยโดยที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายนะพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายก็ตันหานาเกิดนะแต่ว่าหลังจากนั้นท่านก็ปฏิวัติตัดหัวตันหาทิ้งเลยอ่ะบอกไม่เอาและแกพาฉันเนี่ยทุกข์มากแล้วนะครบแกไม่ได้เลยนะพาเกิดบ่อยๆทุกข์แล้วก็ทุกข์อะไรบ้างอเดี๋ยวค่อยไหว้ครั้งหนึ่งมันพาทุกข์จริงๆอ่ะพาเดือดร้อนพาเร่าร้อนกนังวลกวายเดี๋ยนะเดี๋ยวก็ขาพลิกขาแผลงปวดหลังปวดเอวนั่งปวดเมื่่ออยูีหละน นะแล้วก็พอเป็นตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆหน่อยตัวอย่างอื่นมันไม่ค่อยเห็นเนะี่ยมันพาติดอยู่อย่างนี้แหละก็ตั้งมั่นในอรนะนารมณ์นะตัณหาเนี่ยมันทาตั้งมั่นในอารมณนะ์ดูไม่กระพริบเลยถ้าเขาดูเขาถ้าสิ่งไหนเขาชอบนะดูอยู่นั่นแหละถ้าตัตันตัณหามันชอบอะไรมันจะฟังอยู่นั่นแหละมันจะดมอยู่นั่นแหละ มันจะอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเรียกว่ามันทําให้เหมือนกับว่าตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นอ่ะที่จริงเลยดีหรอกัญหามันเซฟเนี่ยนะเรียกว่าถ้าดอกไม้ดอกหนึ่งนะดูทุกกลีบเลยนะไล่รายละเอียดอนุพยัญชนะยอมคนหนึ่งก็บอกเขามีความสามารถสูงมากนะเขาเข้าถึงเสียงเพลงมากรว่างนั้นแหมชมตัวเองเอามาหนึ่งนึกันนะถูกกีเลสมันหลอกขนาดนั้นบอกว่าเข้าถึงเสียงเพลงระว่างนั้นมันว่ามันจะดนตรีกี่ชนิดนะือเข้าถึงหมดเลยนะเขาบอกเขา นายเข้าถึงเสียงเพลงมากเลยนะมีไทยเลยผู้การว่าเขาเข้าถึงเสียงเพลงมากเว่าไปนั่นที่ไหนได้นะทั้งหมดนั่นไม่ได้เห็นอริยสัจร้อขนาดนั้นน่ะนะแต่ตอนหลังผู้การเขาไม่เป็นอย่างนั้นฟังเพลงเนี่ยตอนนี้ฟังเป็นอริยสัจนะเออเนี่ยสัมประโยคทุกวิประโยคทุกเท่านั้นแหละเสียงเพลงอ่ะนะชักเข้าท่าแล้วตอนนี้ยอ่ชักจะเห็นอริยสัจอยู่บ้างอนะ เออก็อเสียงครวญของคนที่ถูกตันหาครอบงำนั่นแหละนะเสียงเพลงอ่ะนะะก็มีอะไรก็รําเสียงเพลงนะถ้าเป็นเพลงโบราณหน่อยนะไม่ใช่เพลงสมัยใหม่เพลงสมัยใหม่ไม่มีสาระอะไรหรอกข้อชามกะละมังอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นเพลงโบราณนะก็วิปโยคทุกข์กัสมโยกทุกข์ะกกนะรําพันทุกขอยู่นี่แหละเนี่ยนะพัดพากเออไปเห็นคนรักไปเดินกับชายอื่นก็ทุกข์ก็นนะั่นน่ะเอามาเป็นเสียงเพลงนะ นะหรือว่าอ้าวพอแม่กีดกันอ่ะนะก็นะมีอยู่เท่านี้สรุปว่าสัมปยกทุกบั้งวิปยกทุกบั้งเราอยู่เท่านั้นนะเนี่ยนะมันตัณหานี่มันทําให้ตั้งอยู่ในอารมณ์นะั้นอ่ะอยู่นานเนี่ยนะไม่ให้ไปไหนง่ายๆหรอกแล้วก็บอกว่าความสนิทนะสนิทสนมที่สุดอ่ะความรักความเพ่งเล็งความผูกพันเนี่ยนะผูกพันกันเหลือเกินเนี่ยนะอยู่ข้ามทวีตมันยังพันกันอยู่นะั่นแหละความหวัง ความจำนงความประสงค์สรุปก็ความหวังในรูปความหวังในเสียงความหวังในกลิ่นความหวังในรสความหวังในโพธพภะใช่ไหมถ้าหนาวๆเนี่ยหวังอะไรหวังอุ่นใช่ไหมถ้าหิวหวังอาหารถ้ากระหายก็หวังน้ํำนี่ยก็หวังอย่างเงี้ยนะแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้เหงาอยู่ตลอดนะนะหวังนู่นไปเรื่อยนะ อความหวังในลาบบัางนะความหวังในลาบในยศในสรรเสริญในความสุขนะความหวังในทรัพนะถ้านี้ก็ความหวังในบุตรเนี่ยนะต้องการลูกแล้วเนี่ยนะหวังว่าบุตรมันจะช่วยงานอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อกี้คุยกับโยมก็บอกว่าเขาก็หวังวันนี้เออถ้าเลี้ยงลูกมันเรียนจบหมดนะก็คงจะมีความสุขก็คงจะแบ่งเบาภาระบ้างแต่ก็บอกว่าเอ๊ะของเรามันก็พอเราโตมาเราก็จากพ่อแม่ระว่างนั้นนะ ลูกก็เหมือนกันนั่นแหละเขางั้นเราพอโตมาหน่อยเราก็จากพ่อจากแม่ใช่ไหมัน่นนะเดี๋ยวก็ทิ้งหมดแล้วนะของเราก็ทิ้งมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลูกมันก็จะเริ่นรอยตามหนมะืนนั้นแต่ว่าได้ทิ้งกันอีกนั่นแหละนี่นะแต่ขนาดนั้นก็ยังหวังในบุตรเนยโยมคนหนึ่งเขาบอกว่ า, วาเฮ้บุตรลูกเนี่ยมันดียังไงนะหมยสยบให้มันทุกอย่างแล้วมันดียังไงนเนี่ยว่างั้นโยมก็ว่าดีนะขำอยู่ทุกวันนี่เลยไอย้ลูกมันดียังไงว่าเนี่ย อะไรอะไรก็เพื่อลูกทั้งหมดเลยประมางนั้นดีตรงไหน่ยของเรานะเราคิดถึงพ่อแม่ของเรากับเราคิดถึงลูกไหนมากกว่ากันกคิดถึงลูกพ่อแม่ตอนนั้นท่านก็คิดถึงเรามากอนะของเราก็ไปคิดถึงลูกกันนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยคิดย้อนไปหาคนที่หวังดีกับเราเท่าไหร่ใช่ไหมก็รู้ว่าลูกมันไม่ค่อยคิดถึงเราใช่ไหมแต่เราก็คิดถึงลูกเหมือนกันบางคนก็บอกว่าท่านยังไม่มีลูกท่านไม่รู้หรอกเหมืนแม้อยากให้ไม่มีลูกเหมือนตัวนักหรือเกินเหมือนั้น เพราะฉะนั้นก็มีคนเดียวทุกก็พอแล้วยังจะชจนคนอื่นเขาอีกในนะความหวังในชีวิตนะรักตัวกลัวตายเนี่ยนี่ก็เห็นแล้วก็ความปรารถนาความให้สัตว์ปรารถนาไอ้จริงๆนะที่เราปรารถนารูปเสียงกลิ่นรถก็เพราะตันหานั่นแหละมันเสียบ ม, มันสอนความที่จิตปรารถนาความเหนี่ยวรัง้งมันน่วงมันเหนี่ยวไว้เลยนะมันจับไว้อะอย่าไปนะมันสูบเข้าไว้เลยวนะ่างั้นความให้สัตว์เหนี่ยวรัง้งความที่จิตเหนี่ยวรัง้ง